เรื่องวิธีแจกจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรได้มีความคิดดังนี้ว่าควรแจกจีวร อ, อย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คัดเลือกผ้าก่อน แล้วพิจารณาคิดถั่วกันนับภิกษุแล้วผูกผ้าเป็นมัด ต, ตั้งส่วนจีวรไว้